ไม่ประมาทในการสร้างบุญกุศลแต่เดิมชีวิตข้าพระเจ้ามีอยู่สองอย่างคือน้ำตาและเสียงหัวเราะแล้วก็มัวเป็นห่วงกอห่วงขอห่วงคอกินเสร็จก็พักผ่อนดูทีวีพอค่ำไม่กี่ทุ่มก็ขึ้นนอนมีเท่าเนี้ย แต่ว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วคิดไว้ว่าถ้าแต่งงานจะตกลงกับแฟนว่าพอเราจัดชีวิตครอบครัวลูกๆเสร็จแล้วฉันจะไปอยู่วัดจะไม่อยู่เฝ้าบ้านจุดตายคาบ้านอย่างคนอื่นหรอกคือข้าพเจ้าเห็นว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเป็นคนดีก็ดีอยู่อย่างนั้นมันไม่เห็นมีอะไรก้าวหน้าข้าพเจ้าอยากได้รับคาสอนอยากได้บุญกุศลมากขึ้นไม่ใช่กินไปอยู่ไปแล้วก็จบอยู่แค่นั้น เ่อข้าพเจ้าบางคนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่บางคนอายุเท่าข้าพเจ้านี่แหละก็ยังไปเต้นระ บ, บำไปอะไรอย่างนี้ออกไปทางโลกพอพูดเรื่องจะพามาวัดเขาก็บอกว่าอย่าไปฟังมันไอ้นเนี่ยมันพูดไม่เหมือนชาวบ้านนี่คือเขาอายุจะเจ็สิบกันแล้วยังไม่เตรียมตัวตายกันยังหลงโลกกันอยู่อย่างเนี้น่ากลัวมากเลยแล้วต่อไปพวกนี้จะเป็นอย่างไรกันตายแล้วจะล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้น่าสงสาร มัวแต่ไปติดทรัพย์ติดวัตถุติดเกียรติอย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งที่หามาใส่ตัวเองนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะใส่ด้วยกิเลสด้วยความพอใจไม่มีประโยชน์เลยแต่สิ่งที่สละให้ผู้อื่นไปจะกลับมาช่วยเจ้าของฉะนั้นทําบุญให้ทานออกไปสิเวลาหมดลมหายใจแล้วมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่จะตามไปช่วยเจ้าของตอนนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นแล้วว่าชีวิตคืออะไร